เป็นี่จะเบนี่อยู่ชั้นไหนแล้วชั้นชั้นสชั้น4ชั้น3ไม่จะเล่นอยู่ชั้นไหนจ๊ะยังต้องเสืออยู่ชั้นไหน เย่ห้าเลยแน่รู้แล้วเรียนโรงเรียนนานาชาติเหรอเยะ้ายจากทอสีแล้วเจ้าคะมาเรียนอะไรที่นี้อยู่ที่เซนอโดร์ตองไม่ค่ไกลจากทอสเท่าไหร่พระ10นาทีหลังบ้านเืนอนโดรเป็นหลักสูตรประมาณขึ้นปีที่สี่อืมเป็นหลักสุดของอังกฤษใช่ไหม ไม่ยอมกินนมไม่ไงถ้านคุณสกไม่กินนมนะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ยอมกินนมไม่พอเ ม, มื่ อ, อวานยอมเจ อ, เอในบ้านคุณตาได้ข่าวคุณตาจิตหลังแย่ได้ข่าวพอดีตอนนี้ขับรถไม่ได้ อ, อ, อ, อ, อาทิตย์สอาท <ขอ S 2> ิตย์ก่<ข> อ, อนมีคนมาบอกถามว่าดู ก็เป็นธรรมดาเนี่ยร่างกายเดี๋ยวเราก็เป็นเหมือนกันเป็นก่อนเป็นหลังทุกคนคตาเคียดตอนนี้คนตาเคียดมากแกไปคิดว่าแกจะเป็นอะไรนะฮะเป็นมะเร็งกระดูกอะไรนะฮะอถ้ารย์ต้องการหนังสือซีดีก็ใช่เลเอาไปหนึ่งเล่อาไม่ไม่จบก็เอาไว้จบกันเล่มียวใช่ังค์ที่จะ้ไเอาไมสวัสดี อ่า<ต>ดีอาอาบุญดีกว่านะเล่นหวยก็เอาเงินของคนยากจนมาเพราะคนยากจนเขาอยากจะได้เงินเขาก็เลยเล่นหวยไกาัามว่าอะไรออหม อ, อนุมานะหมอตั้งใจเรียนหนังสืนะ อ, อนะอยกให้เก่งๆนะ เวลาเรานั่งสมาธิแล้วปิ ด, ดเื่อยๆค่ะมีง่วงนอนเรือยเรจะแก้ไงเวลานั่งแล้วง่วงนอนเนียก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วต้องคอยต้องลดอาหารลงไม่กินมากเ <c oughs> กินไปกินกินแค่เที่ยงวันก็พอหลังเที่ยงวันเวแล้วก็อยากกิน <c oughs> มันจะทําให้ไม่ง่วง <c oughs> ถ้ากินอาหารเย็นด้วยแล้วมานั่งตอนเช้นี้่มันจะหลับ ถ้าเรากินแค่เท like ียงวัน so น so you know, <sino? S 1> ี่ร่างกายมันจะเบาก็ต้องแรกกันอ่ะถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจก็ต้องสละความสุขทางร่างกายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ไม่ตายหรอกมันมันหิวที่ใจมากกว่าหิวที่ร่างกายร่างกายมันเหนือกินแล้วแต่ใจมันหิวเราก็มาให้อาหารมัน นั่งสมาธิทาใจใจสงบแล้วก็จะหายหิวแล้วต่อไปอย่าชอบชอบกินอาหารหน้อยๆเพราะจะทำให้เรานั่งสมาธิได้ทำให้เราไม่หิวทางใจไม่ต้องกินมากแล้วร่างกายเราจะไม่อ้วนไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องไปเต้นแมงเต้นกาอดทนเอาหน่อยไม่ตายหรอก กินบอกว่าอดข้าวดูพระพระเขากินเมื่อเดียวกันถ้าปฏิบัติเขากินเมื่อเดียวกันก็อยู่กันได้สุขภาพก็ดีเขาอยู่ไปได้ถึงแก่ถึงแปดสิบเก้าสิบก็กินมากๆอยู่ไปไม่ถึงตายเพากินกันรู้ไหมกินอย่างนี้แล้วมันก็จะมีกำลังใจที่จะที่จะตัด ร่างกายมันก็บอกมันไม่ต้องการมากขนาดนั้น <Okay. S 1> เราประหยัดเยียดให้มันเอง <Okay. S 1> จะมันกลายเป็นตุ่มก็ยังอยากแค่ให้มันกินอยู่ท่าน <laughs> ไอคนหิวไม่ได้กินไอคนที่ไม่หิวกับได้กินร <Okay. S 1> ่างกายมันไม่หิวแต่ใจหิวแลก็เวลาใจหิวก็เลยให้ร่างกายกินแทน <laughs> ถ้าใจหิวใจก็ต้องทําใจให้สงบ <c oughs> ความสงบของใจนี่แหละเป็นอาหาร <c oughs> พอเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วหายหิวเลย นะเวลาหิวต่อไมนี้ต้องให้อาหารถูกถูกกับคนที่หิวถามดูว่าร่างกายเนี่วันนี้ได้กินข้าวหรือ ย, ยังถ้าได้กินแล้วพอแล้วถ้าหิวก็แสดงว่าใจหิวแล้วถ้าใจหิวก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบเราจะหายหิวรับรองได้แต่อิ่มใจจะสุขใจขึ้นมาเราจะไม่อยากกินอะไรแล้วร่างกายก็จะมีสุขภาพดีมี หนที่สวยงามไม่กลายเป็นตุ่มไปรทุการแผ่เมตตาแล้วพอการแผ่ส่วนกุศลแล้วก็การดูดส่วนกุศลเหมือนเหมือนกันไหมและสั่งกันยังไงคือคําว่าเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่นอยากให้ผู้มีความสุขอยากให้ผู้ไม่เดือดร้อน อันนี้เรียกว่าเมตตาส่วนอุทิศบุญนี่เป็นการแบ่งบุญมันแบ่งเงินทองเรามีเงินเหลือเือเหลือใช้เราก็เลยเอาไปแบ่งให้คนอื่นนี่เรียกว่าอุทิศอุทิศเงินอุทิศบุญไม่เหมือนกันการมีเมตตานี้ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้เงินก็ได้เช่นเรามีเมตตาเราเจอใคร เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขาถามสารทุกข์สุขดิบเขาอันนี้ก็เรียกว่ามีความเมตตาหรือถ้าเรามีข้าวมีของเหลือกินเหลือใช้เราเอามาแบ่งให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกันแต่สําหรับบุญนี้ต้องแผ่ให้แต่เฉพาะคนตายแล้วเราเช่นวันนี้ทําบุญแล้วเราได้บุญละบุญคือความอิ่มใจสุขใจ เราก็แบ่งความอิ่มใจสุขใจให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วได้ถ้าเขารอรับความอิ่มใจสุขใจนี้เขาก็จะได้อิ่มใจสุขใจตามเราไปด้วยอันนี้เรียกว่าอุทิศบุญหรือหรืออีกคํานึงเรียกเมื่อที่ถามคําเดียวกัอนนะบบอุทิศบุญแผ่ส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลเหมือนกันเราแผ<ต>่แแเมตตามิแผลให้กับคนที่ที้ชีวิตนะีใช่เนตอนนี้เราเจอกันก็อยาก อย่ายากเขี้ยวใส่กันให้ยิ้มเข้าหากันเขาพูดอะไรไม่ดีก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเดอนเขาเรียว่าแผ่เมตตาแล้วุทิศส่วนกุศลหรือแผ่ส่วนกุศลนี้ต้องให้สําหรับผู้ที่ร่วงหลับไปแล้วเท่านั้นใช่แล้วเราสามารถแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองได้ไหมเราต้องให้แต่คนอื่นตัวเราตัวเราก็แผ่อยู่ตลอดเวลาเวลาเรา เวลาเราเราหาความสุขให้กับตัวเราตลอดเวลาไม่ใช่ใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้กับเราแล้ว응เราไม่ต้องแผ่ให้กับเราเราแผ่ให้คน อ, อื่นเนาะเขาไม่รู้เรื่องก็าพูดไปตามภาษ า, เ, าเคยมีคนมีนี่บอกว่าต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองอย่าไปแผ่ให้คนเลยสงสัยติดอยู่ในใจว่าเออทําไมต้องแผ่ให้ตัวเองอตัวเราเนี่ยแผ่อยู่ตลอดเวลาว่าเราหาความสุขให้กับตัวเราตลอดเวลา นะครับจนมากเกินไปเลยลืมความสุขของคนอื่นไป <Okay. S 1> เราต้องที่ให้แพ้ให้กับคนอื่นก็เพราะว่าเราเห็นแก่ตัวกันเราชอบหาความสุขใส่ตัวเราไม่ยอมหาความสุขให้กับคนอื่นและการอยากมีหาความสุขใส่ตัวเองทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เหมือนกับให้ความสุขกับคนอื่นพอให้กับความสุขกับคุณแล้วก็ได้ความสุขมากกว่า จากการหาความสุขให้กับเราเองเช่นวันนี้มาทาบุญเนี่ยเอาเงินก้อนเดียวกันนี้มาทาบุญกับเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใบหม่หรือรองเท้าอันใหม่เนี่ยความสุขกันไหนจะมากกว่ากันใช่ใ ช, ใช่ไหมอ่านั่นแหละการทำบุญก็เป็นการแผ่เมตตาแบบหนึ่งจะเข้าใจสิถูกต้องเพราะว่าฟังมาแล้วก็ มันค้านกันในตัวเองใช่เพราะมันมันไม่มันไม่ถูกค่ะค้านอยู่ตลอดก็เลยบอกเดี๋ยวถ้าเจอเขาคงจะมาเขาไม่เลยมาคำว่าให้แผ่เมตตาเขาก็บอกว่าให้เราหาความสุขใส่ตัวเราก่อนย้ำแผ่เมตตาไม่ต้องไปแผ่กนแผ่ให้กับตัวเองทุกครั้งที่นั่งสมาธิต้องนึกถึงตัวเองอันนั่งตัวเองเป็นสุขไม่ไม่ไม่ด้คิดอย่างนั้นงงมากเลยคือความหมายก็คือว่าก่อนที่เราจะให้ความสุขกับคนอื่นเราก็ต้องให้ตัวเรามีความสุขก่อน ถ้าเรายังทุกข์อยู่เราก็ต้องมาทำตัวเราให้หายทุกข์ก่อน <Okay. S 1> ให้เรามีความสุขก่อนเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะได้แบ่งความสุขให้กับคนอื่นได้ถ้าวันไหนเราทุกข์เราเจอใครเรายิ้มออกไหมยิ้มไม่ออกใช่ไหมถ้าเกิดมีปัญหามีเรื่องวุ่นวายใจใจทุกข์อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องมาทำใจให้เราหายทุกข์ก่อนพยายามดับความทุกข์ใจ พอเราดับความทุกข์ใจแล้วใจเราก็จะสบายเราก็มีความสุขทีนี้เราก็สามารถแผ่ความสุขให้กับคนอื่นได้ความความหมาย <ใน S 1> อยู่ตรงนั้นถ้าเรายังไม่มีความสุขเราถ้าเรามีใจเราเครียดใจเราวุ่นวายใจเราหงุดหงิดใจเรารู้สึกไม่โหดร้ายทารุณอย่างนี้เราต้องมาแผ่ให้กับตัวเราก่อนเราต้องมาหยุดความ เครียดความทุกข์ความไม่สบายใจทาใจให้สุขก่อนเมื่อใจเราสุขแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะไปให้ความสุขกับคนอื่นได้แต่ถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างตอนนี้เรามีความสุขแล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขให้คนเวลาเราเจอใครเราก็ยิ้มเราก็ถามสาวะทุกข์สุขดิหรือว่าถ้าเรามีของมีอะไร เอามาแบ่งให้คนอื่นกันเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับคนอื่นแต่ตอนต้นก็ต้องแผ่ให้กับตัวเราก่อนการแผ่นี้ไม่ได้หมายถึงการสวดกันใช่ไหมหมายถึงการกระทําส่วนใหญ่เราจะไปหลงคิดว่าการแผ่คือการนั่งสวดอันนั้นไม่ได้แผ่อันนั้นเป็นการสอนใจซ้อมใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่ำคนเก่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเราต้องไม่มีเวรกับใครนะ อันนี้เป็นการสอนใจเตือนใจเตรียมใจไว้เวลาเราไปเจอคน<ม>แล้วเขามาทำให้เราโกรธเราก็จะได้ไม่ไปจองเวรเขา<ม>อันนี้<ม>การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดการสวดไม่ได้แผ่อะไรการอุทิศบุญก็ไม่ได้ไม่ได้อุทิศบุญถ้าเราไม่ได้ทำบุญอยู่ดีๆเราบอก อ๋อบุญให้คนนั้นคนนี้แล้วเราไม่มีบุญจะให้เขาก็เยอะเราก็ต้องทําบุญก่อนวเวลาทําบุญแล้วเราก็มีบุญแล้วก็เอาบุญนี้ไปแบ่งให้เขาได้ อ, อทั้งนี้มีกรารกระทำไหมสมมับเวลาเอาสมมติเวลาเรานั่งสมาธินะคะเสร็จแล้วคราวนี่เราดูลมหายใจอะครับแล้วก็มันก็ดูมันก็ดูกไปสมมติไปสักสิบนาทีมันอยู่นิ่งแล้วก็ใจมัน มือนใจมันก็สบายขึ้นเบาขึ้นนะครับก็จะแล้วก็เกิดบางทีมันแวบเหมือนกับความคิดมันแวบไปคิดเรื่องนิดนิดนึงแต่ก็กลับมาได้แล้วก็เกิดคือพอกลับมาใจก็สบายคราวนี้กับผมอยากจะถามว่ากับความคิดกับจิตใจเนี่ยคือมันมันมันคือมันมันแยกกันคือบางทีหรดังเช่นเวลาฟังบางทีเขาบอกว่าจิต แวบไปคิดจิตแวบไปคิดแต่จริงๆผมรสึกว่ามันเป็นความคิดมันแวบไปคิดแต่พอกลับมาก็จิตแล้วก็ยังตั้งมั่นแล้วเบาอยู่อย่างนู้นผมคิดแบบถูกไหมครับถูกคือความคิดเป็นการกระทําของจิตไงถ้าคิดแล้วจิตก็จะไม่สบายจิตจะไม่สงบถ้าหยุดคิดจิตก็จะสงบเหมือนร่างกายถ้าร่างกายทํางานร่างกายก็จะเหนื่อย ถ้าร่างกายมาพักผ่อนหลับนอนร่างกายก็จะสบายเหมือนกันความคิดเป็นการทำงานของจิตซึ่งเราทปล่อยให้มันทำมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักกันและไม่มีความสุขกันทางใจเพราะเราใช้ใจคิดทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเออัางนั้นเราต้องมาหัดพักใจบ้างมานั่งสมาธิมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิด อความคิดหยุดแล้วใจจะเบาจะสบายมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ควบคุมพอเผลอปั้นมันก็จะแอบไปคิดพอเรามีสติก็ดึงกลับมาใหม่เราต้องการให้มันสงบนานๆไม่ใช่แค่5นาที10นาทีพยายามนั่งให้ได้นานๆสักชั่วโมงงี้แล้วมันจะมีความสุขมากแล้วจะทำให้เรามีอารมณ์ดีเวลาเราไปทำอะไร กับครานี้อารมณ์เราจะดีแต่ถ้าเราไม่มีความสุขใจนี้อารมณ์เราจะบูดจะเบีย้ยวแล้วเราก็จะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคนอื่นได้พ <Yeah. S 1> ยายามนั่งสมาธิบ่อยๆ <Yeah. S 1> พอมีอารมณ์ไม่ดีแทนที่จะไปดูหนังไปหาอะไรมากินมาดืม่มไปนั่งสมาธิ <Yeah. S 1> เพราะวิธีที่แก้อารมณ์ไม่ดีนี้ไม่ได้อยู่จากการไปกินไปดืม่ม <Okay. S 1> แต่จากการมานั่งทำสมาธิ แต่เราไม่รู้กันเพราะว่าเราคิดว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีก็ไปกินอะไรห้หน่อยก็อารมณ์ไม่ดีก็หายไปชั่วคราวแต่หายไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาอารมณ์ไม่ดีใหมา่แทน ท, ที่จะไปหาอะไรกินอะไรเดิ๋ไปทาอะไรเรามานั่งเฉยๆมาทำใจให้สงบแล้วอารมณ์ก็จะดีคือถึงแม้มันวแวะไปคิดแล้วก็กลับมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจก็คือสมาธิก็ต่อกันได้ได้ ไม่เป็นไรมันจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไรตอนต้นมันก็ล้มลุกคลุกคานเหมือนเด็กหัดเดินไปมัน ม, มันก็เดินได้2องเก้าคนล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ก็หัดไปเรื่อยๆต่อไปชํานาญมันก็จะไม่ล้มถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆบ่อยๆสติเรามีกําลังมากขึ้นต่อไปมันก็จะไม่เผลอมันก็จะไม่คิดแล เ, เผล อ, อเขบเผลอน้อยเผลอน้อยลงไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งไม่เผลอเลย มีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านก็ถามน ะ, ะทางบ้านตอนนี้ถ่ายทอดสดทาง a ฟ e b o o กกับทาง YouTube อยู่ไปทั่วโลกกนะครอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้เหมือนกลับมาอยู่ที่นี่เลยทั้งนี้ว่าเป็นห้องคลาสรูมนะครับเป็นห้องเรียนห้องเรียนนานาชาติ ก็ดีมีคนแนะนําว่ามีเดียรนี้อาจารย์มีเฟซบุ๊กตอนบ่ายสองโมงก็เปิดดอออูอยู่ตอนที่<อ>ดูเรื่องเล่าเรืเ่องที่เรารทําอะไรบ่อยๆเหมืนที่อาจารย์พระอาจารย์บอกว่าที่ไปอยู่เมกาทานไอติมทุกวันทุกวันทุกวันรู้ส<อ>ึ<อ>คุ้นชิน<อ>แรกๆก็อร่อยที่ายไอติมหลังๆพอดีฟังถึงได้ก็เลยฟังตลอดติดตามได้ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทีมงานคนนี้ก็เป็นคอนดิชันแให้เ<อ>าราไม<ช>่รู้เรื่องหรอกตอนบ่ายสองโมงก็ นี้ก็จะเสียสละมาแบบทุกวันครับเพราะว่าแม่เขาพามาฝากเลยบอกเขาว่าชอบเขาก็ทำทุกวันเลยจบปัญญาแล้วเลยไม่ยอมไปทํางานไม่ยอมไปเรียนต่อเ้าจะทำงานมาทำงานเผยแผ่ทำมากดีกว่าอนาคตอาจจะไม่ไม่อาจจะครับคิดว่าทาครับอาจารย์อาจจะมีการอ่าถ่ายท่อสดเสียงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าสงสารคนที่เขาได้สามปีดูตอนหนึงมันก็เกือบ วันนึ่ก็เกือบกิกแล้วนะอาจารถ้าคนที่ใช้สามทีดูนี่โอ้โหเปลืองมากาถ้าดูทุกวันนะครับ<ช>แต่ถ้าเขาไม่เน้นที่จะดูภาพก็ฟังเสียงเอาแล้วกันซึ่งอาจจะถ่ายสดผ่านวิทยุออนไลน์ซึ่งตอนนี้ได้โปรแกรมมาแล้วซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยลิงก์เข้าได้เลยไม่จาําเป็นต้องเอายกมือถือไม่ต้องไม่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ม า, าก็เลยอาจจะกำลังดูอยู่รอบใกล้แล้วครับอ๋ า, อามือถือเป็นตัวรับสัญญาณส่งเข้าไปที่สถานีใช่ทีนะครับแค่นั้นเองครับเอไปก็ฟังได้ถ้าไม่ ฟังก็จะไม่ใช้ประหยัดประหยัดไปได้หลายหลายสิบเท่ามากแล้วว่าจะครับเดี๋ยวจะลองให้ตอนนี้คนทั้งบ้านเข้ามาเท่าไหร่ละสามร้อยยี่สิบเก้าอ่ะิบเก้าที่ถ้ามีคำถามก็ลองถามได้เลยครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพนมพรนะครับเรารักษาสีนห้าได้ แต่นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ถ้าตายไปจิตเราจะไปสู่ภพภูมิไหนครับอันไหนควรปฏิบัติก่อนครับถ้าเรารักษาศีลห้ได้เราก็ปิดกั้นอาบายได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายเพราะเหตุที่ทำให้เราไปเกิดในอาบายก็คือการทำบาปการไม่ได้รักษาศีลถ้ารักษาศีลได้อย่างเดียวใจ ย, ยังตนันียังไม่ทาบุญทาทาน ตายไปไม่ไปอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจะไปสวรรค์ก็ไม่มีบุญพาไปจะมีจะไปสวรรค์ได้ต้องเกิดจากการทำบุญทำทานควบคู่กับการรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ทำบุญทำทานได้ก็จะตายไปก็จะไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนบุญเป็นเหมือนเงินที่เรามีเหลือใช้ติดตัวเราก็ไปเอาไปเที่ยวท่องเที่ยวก่อน แ้วพอเงินหมดแล้วค่อยกลับมาทํางานหาเงินใหม่กภพมนุษย์นี้เป็นพวกที่เรามาสร้างบุญสร้างบาปกันถ้าเราสร้างบาปตายไปเราก็จะไปอบายเช่นบางคนทําแต่บุญแต่ไม่รักษาศีลบุญยังไม่สามารถที่จะส่งผลให้ได้เพราะว่าบาปมีกําลังมากกว่าบาปจะดึงไปให้ไปเกิดในอบายก่อนแล้วพอกลับมาเป็นมนุษย์ผลบุญที่ได้ทําไว้ถึงจะมา ส่งผลทําให้เรามีทรัพย์มีเงินมีทองใช้แต่ถ้าเราทําได้ทั้งสองอย่างทําทานด้วยรักษาศีลได้ด้วยเราก็ไม่ต้องไปบายแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วก็พอบุญของเราที่พาเราไปเที่ยวสวรรค์หมดเราก็กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังรับผลบุญคือเราก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่เวลาเรากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดในครอบครัวที่สุขสี่สบาย มีทรัพย์มีอะไรอันนี้ก็เป็นอันที่สองของการทำบุญกับการรักษาศีล5้าถ้ารักษาศีล5าได้อย่างเดียวไม่ทำบุญทำไม่ได้เช่นอาจจะยากจนไม่มีเงินมีทองที่จะทำบุญทำได้แต่รักษาศีล5าถ้าเกิดตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดนยอบายแต่ก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยคนพวกนี้บางทีก็ถึงแล้ลึกชาติได้เพราะพ่ง ไปเพื่อเพื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะจําได้ว่าเอ้เคยเกิดอยู่ตรงบ้านนู้นอยู่ตรงบ้านนี้ เ, เพราะว่ามันเพิ่งกลับมาเกิดมันเพิ่งตายไปแล้วกลับมาเกิดมันก็เลยความจํายังมีอยู่พอเห็นบ้านหลังนั้นก็คิดว่า เ, เคยเห็นบ้านนี้ที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าทําไมคนบางคนถึงจําได้เพราะเขาว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปอบายเขาไม่ได้อาจไปสวรรค์ เขาตายไปปั๊บเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยเขาก็เลยพอดีมาอยู่ใกล้บ้านเก่าก็เห็นบ้านเก่าก็จําได้ว่าเอ้เคยอยู่บ้านนี้มาก่อนอันนี้เรื่องของผลของการทําบุญทําบาปของการรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลอ่ะต่อไปคําถามจากคุณโทมี่นะครับ ไปทำบุญถวายทานเขียนใบ ป, ปราราาให้พ่อแม่แล้วบอกท่านทราบเพื่ออนุโมทนาบุญโดยไม่ใช้เงินท่านท่านจะได้บุญไหมคะกรณีใส่ชื่อลูกและบอกลูกให้อนุโมทนาเขาจะได้บุญไหมคะคือบุญที่ให้ทานกับบุญที่อนุโมทนานี่เป็นบุญคนละอย่างกันคือบุญที่ให้ทานนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับอาหารที่เรากินเนี่ย ส่วนบุญที่อนุโมทนานี้ก็เป็นเหมือนกับขนมมันมีน้ำหนักน้อยกว่ากันต่างกันเช่นเราทาบุญเนี่ยบุญที่เราได้จากการทำบุญเจ้สละเงินทองของเราเนี่ยเราได้คนเดียวคนอื่นเราไปบอกเขาไม่ได้บุญอันนี้แต่เขาจะได้บุญจากการที่เขามีความยินดีกับการทาบุญของเราเพราะคนบางคนนี้ไม่ไม่ยินดีก็จะ แทนที่จะมีความสุขใจกับการทำบุญกับเรากลับมีความทุกข์ใจเสียดายเงินแทนเราก็มีเอาเงินไปทำบุญทำไมเสียเงินเสียทองเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดอย่างนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจกับการเสียเงินเสียทองของเราแทนที่จะได้ความสุขจากการเสียเงินเสียทองของเราเขากลับไปเสียเสียใจไม่สบายใจเพราะเขาไม่ชอบทาบุญถ้าคนที่ไม่ชอบทาบุญนี้เขาจะไม่อนุโมทนาบุญ เวลาใครทำบุญแต่คนที่ชอบทำบุญรู้ว่าการทำบุญนี่ดีเหมือนการกินข้าวพอเห็นใครก็กินข้าวก็อนุโมทนายินดีครับเออกินข้าวได้ดีกินแล้วอิ่มเราก็ไปสุขกับเขาเราก็ได้ความสุขจากการที่เห็นว่าเขาได้กินข้าวเห็นว่าเขามีความสุขเข้าใจไหมมันคนละเรื่องกันคนละอย่างกันไม่ใช่ว่าเราทำบุญเสียเงินของเราแล้วเขาก็จะได้บุญกับเราแบบเดียวกันคนละแบบกัน เขาอยากจะได้บุญแบบเราเขาก็ต้องกินข้าวเองเขาก็ต้องเสียเงินเสียสละเงินทองไปทำบุญเองเช่นสมมติว่าเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของพ่อของแม่อย่างเงี้ยแล้วเราเอามาทำบุญโดยที่เราไม่ได้บอกเขาแล้วเราทำเสร็จแล้วเราค่อยไปบอกเขาว่าวันนี้เอาเงินของพ่อมาทำบุญนะถ้าเขายินดีเขาพอใจเขาก็จะได้บุญเช่นเดียวกับที่เราได้เพราะเป็นเงินของเขา แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็ไม่ได้จะกลายเป็นเงินเหมือ น, นเงินที่ถูกขโมยไปเงินเวลาเวลาใครขโมยเงินเราไปเรารู้สึกไงเสียใจใช่ไหมเพราะเราไม่ยินดีที่จะเสียแบบนั้นแต่ถ้าเราเอามาทําบุญนี่เรามีความสุขใจเพราะเรายินดีเสียแบบแบบนี้อย่างถ้าเกิดใครมาขโมยเงินเราแล้วเขาจะไปทำไํำลายก็เรื่องของเขาถ้าเรายินดีคิดว่าเป็นการทําบุญเราก็จะได้ความสุข แต่ถ้าเราไม่ยินดีเราเสียดายเราก็จะได้ความทุกข์ยิ่เวลาเราเสียอะไรพยายามนึกว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะมีความสุขคำถามจะกคุณพัชรานะครับหากอยากฟังธรรมจาก facebook ไลฟ์ถึงเวลามานั่งรอหรืออยากไปทำบุญใส่บาทเป็นตันหาด้วยไหมคะอันนี้ไม่ใช่เป็นตันหาอันนี้เป็นมรคเป็นธรรมะ คือความอยากนี้มีสองสองประเภทความอยากที่เป็นคุณกับความอยากที่เป็นโทษต่อจิตใจความอยากที่เป็นโทษต่อจิตใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้เป็นตัณหาเป็นโทษแต่ความอยากที่เป็นคุณประโยชน์กับใจนี้เป็นบุญเป็นธรรมเช่นการอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลความอยากเหล่านี้เป็น เป็นมัคเป็นธรรมมันจะเป็นตัวที่จะพาให้จิตใจเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขเป็นประโยชน์กับจิตใจเราไม่เรียกว่าเป็นตันหาเราเรียกว่าเป็นธรรมหรือเป็นมัคมัค ก, ก็คือทางสู่การหลุดหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่พระนิพพานคำถามข้อต่อไปจะคุณฟ้าใสนะครับข้อที่หนึ่ง เวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บจนทนไม่ไหวเราควรทําอย่างไรครับถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้แต่บางวันไม่เจ็บไม่ปวดนั่งสบายได้หลายชั่วโมงที่ทนไม่ไหวเพราะเราอยากจะให้มันหายและอยากจะหนีจากมันไปเราต้องมาหยุดตัวนี้หยุดตัวอยากให้มันหายเพราะเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะหายไม่หายนี่เราไปสั่งมันไม่ได้แต่เราสั่งใจให้เราหยุดความอยากไม่หายได้ หยุดความอยากให้มันหายได้วิธีจะหยุดก็คือให้เราคิดถึงเรื่องอื่นเช่นคิดถึงพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเพราะพอพ อ, พอคิดถึงความเจ็บมันก็จะอยากขึ้นมาทันทีอยากจะให้มันหายเจ็บงั้นเราต้องใช้ความคิดดึงความคิดอย่างอื่นดึงไปจะให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้ถี่ไปหรือจะสวดมนต์ยาวๆไปเลยก็ได้สวดไปจนกระทั่งเราลืมความเจ็บไป พอลืมความเจ็บแล้วความทรมานใจจะหายไปเพราะความทรมานใจนี้ไม่ได้เกิดจากความเจ็บแต่เกิดจากความอยากให้มันหายเจ็บพอเราไม่ได้ไปคิดถึงพอเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บความทรมานก็จะหายไปวิธีจะให้มันหายไปก็คือเราต้องไม่ไม่มีให้มันไม่ให้มันมีโอกาสคิดถึงความเจ็บและไม่มีโอกาสอยากให้ความเจ็บหายไปก็คือเราต้องหาอะไรให้มันทําเช่นเวลาเราดูหนังนี่บางทีปวดเฉยนั่งดูได้ใช่ไหม เพราะเราเรามีอะไรดูเราก็เลยไม่กลัวมันฉี่มันปวดก็ปวดไปแต่ไม่ทรมานใจหรือบางคนนั่ ง, งเล่นไพยย่เงี้ยมันปวดฉี่ก็ดุ๊กไม่ได้ก็เล่นต่อไปโดยการนั่งมันจะบันจลาดออกมาจริงๆกันถึงจะไปดังนั้นความทรมานใจนี้มันเกิดจากความอยากของใจเองอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เฉพาะแต่ความเจ็บ มันทุกอย่างนี่ทําให้เราทรมานใจได้ถ้าเราไปอยากพอเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นเราก็ทรมานใจแล้วไม่สบายใจแต่ถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็ปล่อยเขาไปท่านขครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปทําไปใคจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปมันไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเราไปยุ่งกับเขาเองแล้วเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ทรมานใจแก้ที่ความอยากของเรา ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้แล้วความทุกข์ทรมานใจจะไม่เกิดขึ้นคําถามจากคุณจา์ชีลานะครับเวลาเราโกรธเรามีวิธีระงับความโกรธกับผู้อื่นอย่างไรบ้างคะและการที่เราอยู่กับคนรอบข้างที่มีอารมณ์ร้อนเราควรมีวิธีจัดการตัวเองและจัดการเขาอย่างไรครับนี่ก็เพิ่งตอบไปเนี่ยก็เราไปยุ่งกับเขาเอง <c oughs> เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พรก็ไม่เป็นเราก็โกรธเขาใช่ไหม ถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่โกรธเขา<อ>เขาจะหัวเดินแทนเท้าเดินก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เหมือนกับคนที่คนเรานี่เป็นเหมือนผลไ ม, ม้เขาจะไหมคนเรานี่ไม่เหมือนกันใช่ไห ม, มบางคนก็เป็นเหมือนส้มบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยบางคนก็เป็นเหมือนมะระกอเป็นเหมือนสับปะรดพอเราไปเจอกล้วยเราอยากให้เป็นสม ane, ้มมันก็เดือดร้อนๆๆสิเพราะมันไม่เป็นเขาจะไหม เราต้องปล่อยกล้วยให้เป็นกล้วยปล่อยสับปะรดให้มันเป็นสับปะรดอย่าไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นเป็นไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราทุกทาให้เราโกรธทาให้เราไม่สบายใจอยากจะให้เขาเขาเป็นคนนุ่มร้อนอยากให้เขาเย็นนี้เราก็ไม่เย็นเราก็เราก็เดือดร้อนแทนแต่ถ้าเขาปล่อยเขาเขาเป็นคนอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ไปสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็แนะนำเขาได้ ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเปลี่ยนได้แต่เขาต้องเป็นคนเปลี่ยนเองถ้าเขาเป็นคนนุ่มร้อนเขาอยากจะเปลี่ยนให้เป็นคนใจเย็นนี่ก็เปลี่ยนได้เขาก็ต้องมาฝึกจเจริญสติควบคุมใจควบคุมความอยากถ้าเขาควบคุมความอยากได้ความร้อนใจของเขาก็จะหายไปคำถามจากคุณวิชัยนะครับหากเราไม่ได้สมทานศีลแต่เรารู้ตัวถึงการจะทาว่าไม่ได้ผิดศีลถือว่าเรามีศีลใช่ไหมครับ คำสมาทานเป็นเพียงการเป่งวาจาใช่หรือไม่การมีศีลไม่มีศีลอยู่ที่การละเมิดหรือไม่ละเมิดไม่ได้อยู่ที่สมาทานหรือไม่สมาทานการสมาทานนี้เป็นการตั้งตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้นเอง mm hmm. เช่นสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะรักษา ศ, าศาีลห้าเราก็สมาทานขึ้นมาในใจเราว่าวันนี้จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีอันนี้เป็นการตั้งเจตนารมตั้งเป้าหมายแล้ว เราจะมีศีลได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาได้หรือไม่ได้ถ้าเราตั้งแล้วเราไม่รักษามันก็มันก็ไม่มีอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งแต่เราไม่ได้ทําผิดศีลเราก็มีศีลอยู่ดีเข้าใจไหมมันไม่ได้อยู่ที่ตั้งหรือไม่ตั้งตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ศีลจะมีไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่การตั้งหรือไม่ตั้งอยู่ที่การกระทําว่าทําหรือไม่ทําทําบาปหรือไม่ทําถ้าไม่ทํำบาปก็มีศีลถ้าทําบาปก็ไม่มีศีลต่อให้ ต่อให้อะไรต่อให้สมาทานกี่ร้อยครั้งมันก็มันก็ไม่มีศีลอยู่ดีเพราะการสมาทานเป็นเพียงเป็นการกําหนดเป้าหมายของการกระทําของเราว่าวันนี้เราจะไม่ทําบาปนะอันนี้เป็นเพียงการเตือนใจพอเราตั้งหลักแล้วเราก็พยายามทําตามที่เราตั้งใจไว้ mm hmm. บางคนไม่ตั้งใจมันก็จะไม่รักษาไงบางทีเราต้องต้องบังคับให้ตั้งไว้ก่อน เช่นวันนี้ถ้าโยมสมาทานมันจะรักษาศีนก็จะเริ่มระวังไว้ใช่ไหม เ, เราเราจะไม่ทําบาปในวันนี้อแต่ถ้าไม่ได้ตั้งก็วันนี้ไม่ได้ควบคุมบังคับมันจะบาปก็บาปไปไม่สนใจสมาทานมันก็มีประโยชน์ตรงนี้มีประโยชน์ที่ว่ามันจะทําให้เราบังคับตัวเราเองให้เรารักษาแต่คนที่เขามีศีนอยู่แล้วเขาไม่ต้องสมาทานถ้าเขาไม่เขาเป็นคนที่เขาไม่ทําบาปอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องสมาทาน เช่นได้เราไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วเราไปสมาทานวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ทำไมก็ไม่เคยฆ่าอยู่แล้วอะคําถามจากคุณปุญยวีนะครับเมื่อผมจเจริญสติภาวนาสติก็าตามรู้สภาวะธรรมคือขันธ์ทั้งห้ทั้งรูปทั้งนามปัญญาที่เห็นในขณะนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวก็มีความเข้าใจว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นดับไปเป็นปกติธรรมดา แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันเองเป็นแบบนี้หลายครั้งเมื่อนั่งสมาธิภาวนาแต่มันเกิดปัญญาเพียงแค่ให้รู้แต่มันไม่ขาดจากความติดมั่นถือมั่นให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยครับจะทำอย่างไรให้ปัญญาแจ้งแกจิตจนขาดความยึดถือก็ต้องเอามาใช้ตอนที่มันมันมาม า, มาติดอยู่กับสิ่งที่เราติดอยูย่พอเราไปติดอยู่กับใครก็ต้องใช้ปัญญาตัดมัน มันตึงยขาตอนที่เรานั่งในสมาธิมันเป็นเพียงการเรียนคิดฎีเป็นการสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราพอเรามาเจอของปับ๊บเราลืมไปแล้วมันไม่เที่ยงเราไปยึดปั๊บเป็นของเราขึ้นมาทันทีตอนนั้นแะต้องใช้ปัญญามาตัดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัดมันได้หรือ ย, ยัง ไม่ใช่ไปตัดในสมาธิไปนั่งสมาธิแล้วตัดมันต้องมาตัดตอนที่มาเจอร่างกาย<อ>มาเจอข้าวของเงินทองที่เป็นของเราตอนนั้นต้องไปตัดตอนนั้นอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้ามันจะไปก็ไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่ให้รักษาให้รักษาแต่มันมีวันหนึ่งจะต้องรักษาไม่ได้พ อ, อถึงวันนั้นเราต้องปล่อยมันถึงจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ ท่องที่เราสอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวปล่อยพอเราปล่อยได้แล้วเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมตัวปล่อยเวลาเขาจากไปเราปล่อยไม่เป็นเราก็จะยึดติดแล้วเราก็จะทุกข์คำถามจากคุณนิชาพานะครับควรทําใจอย่างไรให้รักษาใจไม่เศร้าใจเพราะหวังดีและพ่วงลูกและสามีไม่เชื่อบาปบุญ เชื่อแต่การเงินทุกวิธีที่ฉันไม่สบายใจด้วยเลยค่ะเศร้าใจค่ะแต่ต้องอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันควรทำใจอย่างไรเจ้าคะก็ต้องทำใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เขาเป็นนิสัยของเขาที่เขาได้สะสมมาในอดี ต, ตชาติเขาต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนี่เราช่วยเขาได้เราก็จะหาหนังสือธรรมะหรือหาครูบาอาจารย์พาเขาไปหาครูบาอาจารย์ไปสอนเขาแล้วให้เขามาปฏิบัติเขาก็จะเปลี่ยนตัวเขาเองได้แต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราจะทุกข์ คำถามจะคุณสามารถนะครับผู้ที่คิดค่าตัวตายนี้เสียหายอย่างไรบ้างครับแล้วเราจะมีวิธีให้แนวทางด้านปัญญาเพื่อหาทางออกให้กับเขาคนนั้นได้อย่างไรบ้างครับการค่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของการแก้ปัญหาของความความอยากค่า่าตัวตายก็คือความไม่สบายใจใจทุกข์ใจทุกข์กเพราะความอยาก อยากจะทําอะไรหรืออยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจหรืออยากจะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารักไว้แล้วต้องสูญเสียมันไปมันก็จะทําให้เราเสียอกเสียใจแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีพ้นอยากจะหนีจากความทุกข์ใจเนี้เราก็เลยคิดว่าการฆ่าร่างกายนี้จะทําให้ความทุกข์ใจหายไปมันไม่หายหรอกมันก็ยังอยู่ในใจต่อไป ความทุกข์ใจนี้จะหายก็ต่อเมื่อเรามาหยุดความอยากที่ทําให้เป็นที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนี้ขึ้นะ <c oughs> แล้วถ้าเราไม่แก้ปัญหาแบบแบบที่ที่ต้นเหตุเราไปฆ่าตัวตายอย่างเนี้ยพ อ, พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่พอมาเจอความทุกข์ใจใหม่ก็มาฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเกิดมาแล้วแค่จะอยู่จะไม่มีอายุยาวนาน พอเกิดความเสียใจทุกใจขึ้นมาก็จะคิดฆ่าตัวตายเพียงอย่างเดียวอันนี้คือโทษของการฆ่าตัวตายที่ท่านบอกว่าฆ่าตัวตายแล้วต้องกลับมาฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติเพราะมันจะติดเป็นนิสัยเป็นวิธีแก้ปัญหาพอเสียใจก็ฆ่าตัวตายพอเกิดใหม่พอเสียใจใหม่ก็ฆ่าตัวตายใหม่แล้วการมาเกิดทุกคนมันต้องมีความเสียใจกันทุกคนล่ะ เพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรที่จะให้เราพอใจไปเสมอหรอกมันต้องมีวันที่ทำให้เราเสียใจดังนั้นเราต้องมารู้จักแก้ความเสียใจด้วยการยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราพบนี้มันไม่มันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนมีดีมีไม่ดีมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไป ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะไม่มีความอยากให้ทุกอย่างดีทุกอย่างอยู่กับเราไปตลอดมันก็พอพอมันไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจพอมันจากเราเราก็จะไม่เสียใจเราก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วเราต้องมาแก้แก้ปัญหาที่ใจคือความอยากของเราความอยากของเราเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าเราสามารถที่จะพบแต่สิ่งที่ดีอยู่กับสิ่งที่ดี ไม่มีวันพลาดพาดจากมันนี่แต่ความจริงมันไม่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมีมามีไปมีเกิดมีดับเราต้องสอนใจว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแน่นอนไม่มีเป็นไปมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเกิดความเสียใจถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเรารู้ทันเราก็จะปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่เสียใจ ้เราก็จะไม่ตองตตคำถามจากคุณนพมาศนะครับเคยไปบวชชีพามเห็นพ่อขาวแม่ขาวพ่อเบกพักหลบมุมมาคุยแชทเฟซบุ๊กลน์การกระทำนี้ผิดศีลแปดไหมเจ้าคะเพื่อเป้าหมายของศีลแปดก็คือให้เราไม่ให้ส่งใจเราออกข้างนอกการไปส่งข้อความก็ส่งใจไปข้างนอกแนละ้ว การไปรับรู้ข้อความก็ส่งใจออกไปข้างนอกนะมันก็ขัดกับเจตนาลมของการถือสินแบการถือสินแบเพื่อต้องการปิดทวารทั้งห้าตาหูจะมอกลิ้นกายไม่ให้รับรู้ข่าวสารผ่านทางทวารทั้งห้านี่โทรศัพท์มือถือนี่มันก็เป็นเหมือนเครื่องมือของการรับข่าวสารรับข้อมูลต่างๆเป็นการดึงใจให้ออกไปข้างนอกที่เราใช้สติก็เพื่อจะดึงใจให้เข้าข้างใน มันก็จะมาขัดกันชักกระเยอะกันกิเลส ก, ก็อยากจะให้เราออกไปข้างนอกอธรรมะก็อยากจะให้เราเดึงเข้ามาข้างในนั้นถ้าเรามาถือศี 8, แลแปดเราก็ควรปิดโทรศัพท์มือถือขอคิดว่าเราตายจากโลกนี้ไปหนึ่งวันก็แล้วกันวันที่เราถือศีลแปด น, 8, นี้คิดว่าเราตายจากร่างกายนี้แล้วเราไม่มีร่างกายแล้วเราไม่สามารถใช้ร่างกายติดต่อกับใครได้แล้ว เราจะเข้าข้างในเราจะเข้าสู่ความสงบเราจะใช้พุทธโธนึงใจให้เข้าข้างในคําถามจากคุณสีวัดนะครับเริ่มฝึกนั่งสมาธิต้องเริ่มอย่างไรครับจะต้องเริ่มโดยการไปนั่งที่วัดหรือไม่เมื่อเริ่มที่สติเนี่ยต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสติไปนั่งที่ไหนมันก็ไม่สงบแล้วถ้ามีสติอยู่ที่ไหนก็สงบได้ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ดงนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อน สติเป็นเหมือนเครื่องมือไงเหมือนกับเวลาที่เราจะเล่นดนตรีเงี้ยก่อนที่เราจะเล่นดนตรีได้เราต้องมีเครื่องดนตรีก่อนใช่ไหมเราก็ต้องไปหาเครื่องดนตรีมาเราอยากจะตีกลองเราก็ต้องไปหากลองมาตีก่อนอย่างใดเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติก่อนถ้าเราไม่มีสติเราก็จะควบคุมใจเราไม่ได้ควบคุมใจเราให้นิ่งให้สงบไม่ได้ แตถ้าเราไปนั่งในป่าคนเดียวสงบขนาดไหนมันก็ไม่มันก็ไม่สงบถ้าเราไม่มีตัวที่จะมาหยุดความคิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิก็ต้องมีสติก่อนดังเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใช้พุโทโธพุทโธหนึ่งไว้อย่างที่พูดอยู่เรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดอะไรทําอะไรก็พุโทโธไปควบคู่กันไปกับพุโทโธ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุทโธหรือถ้าจะคิดก็ต้องเป็นเรื่องที่จาเป็นจริงๆถ้าจาเป็นก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุทโธมาจนกว่ามันจะไม่คิดถ้ามันหยุดคิดแล้วก็ไม่ต้องพุทโธเหมือนรถนะถ้าเราเหยียบเบรเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดมันไม่ไหลแต่ถ้าเราปล่อยเบรแล้วมันไม่ไหลล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบร แต่ถ้าเราปล่อยเบรคแล้วมันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรคไว้อันใดถ้าเราหยุดพุทธโธแล้วมันไม่คิดเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องพุทธโธแต่พอมันคิดเราก็ต้องพุทธโธต่อไปจนกว่ามันจะไม่คิดว่เาเวลาไม่คิดแล้วมันสงบมันเย็นมันสบายมันมีความสุขมันไม่ต้องไปหาความสุขจากทางร่างกายไม่ต้องไปหารูปเสียง ก, กลิ่นรสมาให้ความสุขเพราะเรามีความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้สงบ ดีกว่าไม่เหนื่อยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอุ่นวายเด น, นถ้าอยากจะนั่งสมาธิฝึกพุทโธไปก่อนแล้วลองนั่งที่บ้านนั่งหาหมุมไหนที่เงียบเงียบไม่มีใครมารบกวนในห้องนอนเราก็ได้ปิดประตูห้องอย่าให้ใครมายุ่งแล้วก็นั่งลองนั่งพุทโธดูสิว่ามันจะนิ่งไห ม, มถ้ามันนิ่งมันสงบก็แสดงว่าเรามีสติ ถ้านั่งเรายังฟุ้งอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่าสติเรามีกําลังไม่พอก็ต้องมาฝึกสติให้มากขึ้นอาจารย์ครับตอนนี้พบปัญหาอย่างหนึ่งจากที่ได้แนะนําว่าให้หาอะไรอุดถูนั่งสมาธิครับอาจารย์ก็คือเวลาอุดถูตอนนั่งสมาธิมันจะได้ยินเสียงลมกลับเข้ามารบกวนจะทําไงครับอาจารย์ก็ไม่ไปนสนใจมันสเสียงลมมันไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วเสียงคนนี่หนละมันทําให้เราคิดปรุงแต่งไป แต่เสียงลมนี่ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงลมเสียงลมไม่มีปัญหาข้อปัญหาคืออย่าไปอยากให้มันเงียบมันจะก็นั่งไม่มีเสียงเลยความอยากนี่มันจะทําให้เราเครียดขึ้นมาได้ยัง mm hmm. เราต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีเสียงบ้างเพียง mm hmm. แต่ว่าถ้ามันไม่รบกวนใจเราเราก็อย่าไปสนใจมันคําถามข้อต่อไปจะคุณวาปีนะครับการนั่งสมาธิทุกครั้งต้องเดินจงกรมก่อนหรือไม่เสร็จการนั่งสมาธิแล้วต้องแผ่ไมตาทุกครั้งหรือไม่ ไม่หรอกการนั่งสมาธินี่ทําในท่าเดินจงกรมก็ได้ทําในท่านั่งก็ได้การเดินจงกรมก็เป็นการทําสมาธิแบบเนี่ยเราก็ยังควบคุมความคิดของเราเหมือนกับเวลาที่เรานั่งเพียงแต่ว่าถ้าเรานั่งนานๆมันอาจจะเมื่อยเราก็เลยลุกขึ้นมาเดินแลืวถ้าเราเดินนานๆมันเมื่อยเราก็กลับไปนั่งดังนั้นเรื่องท่านี้แล้วแต่เราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินั่งเราก็นั่งนั่งมันจะสงบมากกว่าเดิน แต่ถ้าเราอยากจะปฏิบัติทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็นั่งทั้งวันไม่ไหวพอมันเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนมาเปลี่ยนเริยาบทมาผ่อนคลายยืดเส้นยืด้ายพอเดินจะรู้สึกว่าเมื่อยแล้วอยากจะนั่งก็กลับไปนั่งใหม่ก็เป็นการทําสมาธิทั้งสองสองท่าเพียงแต่ว่าความสงบจะได้ไม่เท่ากันถ้านั่งเนี่ยมันจะได้ความสงบมากกว่าถ้าเดินเพราะเวลาเดินนี่ใจยังต้องใช้ควบคุมร่างกายอยู่ แต่เวลานั่งนี้ใจไม่ต้องใช้การควบคุมร่างกายใจก็สามารถปล่อยร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะทําให้มันสงบมากกว่าเราเรื่องการแผ่เมตตาครับอาจารย์หลังจากนั่งสมาธิเรื่องคนต่อเนื่องการแผ่เมตตานี้แผ่ได้ตลอดเวลาต้องแผ่ตอนที่เจอกันไม่ใช่มันแผ่ตอนนั่งสมาธิเวลาเจอใครก็ยิ้มให้เข า, เาให้ความเมตตากับเขา น, นั่นเรียกว่าแผ่เมตตา เวลาอยู่คนเดียวไปสวดแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ให้ใครอันนั้นเป็นการสอนใจเป็นการซ้อมใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะเวลาเราเจอใครเราอย่าไปโกรธไปเกลียดใครถึงแม้แเขาจะทําอะไรไม่ดีทําให้เราไม่พอใจก็อย่าไปโกรธเขาต้องให้อภัยเขาต้องรักเขาความเมตตก็คือความรักความมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นต้องทําตอนที่เจอกัน ไม่ใช่เวลาอยู่คนเดียวแผลไม่ตายเขาพอไปเจอหน้าเขาก็ด่าก็เลยคำ <c oughs> ถามจากคุณพีรานีนะครับหากบ้านมีปลวกขึ้นเราให้บริษัทกาจัดปลวกมาฉีดยาจะผิด ส, สิ่งข้อหนึ่งไหคะเราอย่าไปสั่งเขาก็แล้วกันเราต้องใช้กุศโลบายโทรไปถามเขาว่าที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> ดีอ้อไม่เป็นไรผมจัดการให้ถ้าเขาสะอาาสมัครก็โอเค แต่อย่าไปสั่งเขาว่าคุณมาช่วยกับจัดปวงให้ข้าพเจ้าหน่อยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ก็บาปเพราะว่าทําเองก็ดีสั่งให้ก็ทําให้ก็ดีก็บาปอย่างผ่าเวลาต้องตัดต้นงงต้นไม้ก็บอกโ ย, ยมว่าไอ้กิ่งไม้มันมาเกะ ก, กะหลังคาแล้วเกินโยมฟังแค่นี้ก็เข้าใจเอาไม่เวลาครับเดี๋ยวผมตัดให้เราไม่ได้สั่งเขาทะเพราะโบราณเขาถือว่าต้นไม้เป็นของมีชีวิตไงถ้าพ่าไปไปตัดต้นไม้ก็สแสดงว่าไปฆ่า ไปทำปาณาติบาตพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ใช้กุศโลบายว่าคาราวะเขาตัดต้นไม้อยู่เป็นประจําก็ไม่ถือว่าบาปนะงั้นเวลาที่เราทําไม่ได้เราก็บอกเขาแต่เราอย่าไปสั่งเขาเราเราแจ้งปัญหาให้เขาทราบได้อยู่ว่ามีปัญหานั้นเนี่ยไม้กิ่งไม้มันมาติดหลังคามจะทําให้หลังคาแตกได้แต่ว่าเขารู้เดี๋ยวเขาก็มาอาสาทําให้มีป่วยเขาก็จะมา ช่วยกำจัดให้แต่เราทำเองไม่ได้เหมือนจะไปร้านอาหารแล้วไปชี้ปลาที่ยังไม่ตายว่าตัวนี้นั่น<ร>นั่นก็ผไ ด, ดใช่เ <c oughs> พราะเราไปสั่งเขาฆ้าเพราะถ้าเราไม่ไปปลาตัวนั้นก็ยังอยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราจะสั่งก็บอกว่าเอาปลาที่ตายแล้วนะ <c oughs> ถามว่าที่ร้านมีของที่ตายแล้วยังถ้าของที่ตายแล้วเอาเอาของที่ตายมาอย่างนี้ไม่บาปหรือไปที่ตลาดไปซื้อปลานี่ถ้ามันตายแล้วซื้อมาไม่บาป แต่ถ้าสั่งว่าพวุ่งนี้เอาปลาสิบโลนี้ยบาปเพราะเขาจะต้องไปหามาค่ายเร า, าแต่ถ้าเราก็ใช้อุศโลบายเช่นจำกัดไปว่าเอาที่ตายแล้วนะแต่เขาจะไปหาตายเมื่อตายมาก็เรื่องของเขาเดี๋ยครับเป็นกุศโลบายไม่ไม่อันนี้ต่างกัน <c oughs> ถ้าไปถ้าไปที่ร้านเนี่ <c oughs> เขาอาจจะมีแบบของตายแล้วกับของไม่ตาย mm hmm. อย่างนี้ได้อยู่ แต่ถ้าเราไปสั่งเข้าลนุ่งหน้าเขาก็ต้องไปเอาของที่ไม่ตายมาฆ่าอยู่ดีว่าเป็นกุโลบายได้ไม่ต้องเอาตอนที่เขามีอยู่แล้วของที่เขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปสั่งตอนที่เขาไม่มีก็แสดงว่าไปสั่งให้เขาไปหามาหรือจะสั่งเอาแบบที่ตายแล้วก็ได้แต่มันก็เขาก็ต้องไปสั่งคนอื่นฆ่าต่ออีกทอดนึ่งอยู่ดีอันที่ดีก็อย่าไปกินมันเลยคฟังสูขแค่ปลายลิ้นแป๊บเดียวได เราเข้าไปในปากเข้าไปเกินเข้าไปในท้องมันก็หมดไปแล้วกินเพื่ออิม่มเรากินเพื่อรักราักษาร่างกายเราอย่าไปกินเพื่อความสุขใจเลยเราอยากจะมีความสุขใจมานั่งสมาธิจะได้ความสุขมากกว่าแล้วไม่มีบาปติดตัวด้วยคำถามจากคุณกา ร, ระยะเขมนะครับเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วควรจะปล่อยให้ความผิดนั้นผ่านไปไม่ควรไปนึกถึงความผิดบ่อย เพราะเวลานึกถึงจะทำให้ใจเศร้าหมองและวุ่นวายมากจึงไม่ควรนึกถึงความผิดในผลหลังใช่ไหมคะมันก็มีสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่เราต้องคิดก็เพื่อจะได้มาปรับปรุงแก้ไขว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปอันนี้คิดได้คิดด้วยเหตุด้วยผล เ, เราวันนี้เราไปทำผิดมานะต่อไปเราควรที่จะไม่ทำนะหาวิธีทำไงไม่ทามันให้ได้ ถ้าคิดแบบนี้ไม่เป็นปัญหาคิดแบบนี้จะไม่ทำให้ใจเราทุกข์แต่คิดเพราะว่าเสียเสียดายไม่อยากจะทำเลยแต่ทำไปแล้วไม่อยากจะทำทำแล้วรู้สึกว่าเราไม่สบายใจคิดอย่างนี้อย่าไปคิดมันคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่าไปคิดคิดจะทํทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็อย่าไปคิดแต่คิดเพื่อทำให้มันป้องกันไม่ให้เราไปทำซ้ำซากได้อีกย่างนี้คิดได้คำถามจากคุณต้านะครับ ทุกที่เกิดจากเวรกรรมในอดีตชาติโดยที่เขาไม่ยอมให้อภัยเราควรทำอย่างไรก็ต้องใช้กรรมไปจนกว่าเขาจะหายหายโกรธเราเมื่อไหร่เขาก็เลิกมายุ่งกับเราเองแล้วก็ยังไม่หายโกรธเขาก็ยังจะตามมาคำถามจากคุณบูนิกก์นะครับคนเจ็บป่วยมีเวทนาใกล้เสียชีวิตควรกำหนดจิตสุดท้ายอย่างไรครับ ก็เจตให้กําหนดให้มันสงบล่ะวิธีไหนก็ได้ส่วนมนต์ก็ได้พุโทโธก็ได้โปงก็ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ของเราเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ทําได้อย่างเดียวก็คือทําใจเฉยๆอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะสบายไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายคําถามตัอคุณพาดานะครับ วิญญาณในขันห้าแตกสลายไปได้แต่วิญญาณที่ไม่มีวันตายคืออะไรครับวิญญาณในขันห้ามันไม่แตกสลายหรอกวิญญาณนี่มันเป็นนามธรรมมันเป็นอาการของใจมันมีอาการของใจมีสี่ที่เรียกว่านามขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวนี้มันออกมาจากใจใจเป็นของไม่ตายไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ตาย ส่วนวิญญาณอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกเวลาคนตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างนี้คําว่าวิญญาณตัวนี้ก็หมายถึงใจทั้งดวงใจที่ ม, ม, มีมีนามขันไปด้วยอันนี้เราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณกับวิญญาณในขันห้าคนละตัวกันเข้าใจดวงวิญญาณก็คือดวงใจนี่แหละเวลาอยู่ในร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจเวลาออกจากร่างไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ แล้วก็ไปหาร่างกายใหม่ก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณไปปฏิสนธิไปได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ <Okay. S 1> ก, หมก็กลายเป็นดวงจิตดวงใจใหม่อย่างตอนนี้เราเรียกใจของเราว่าจิตใจแต่พอเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเหมือนเด็กเด็กก็เรียกว่าเด็กชายพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่านายผู้หญิงก็ตามเป็นเด็กหญิง เป็นนางสาวพอแต่งงานก็เป็นนางขึ้นมาอันนั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อตามสถานภาพของบุคคลเท่านั้นเองใจล้วก็มีการเปลี่ยนสถานภาพเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณส่วนวิญญาณในขันห้านี้มันมีอยู่ตลอดเวลาจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมันก็มีแต่ว่ามันจะทางานหรือไม่ทางานก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย คำถามจากคุณวิซังนะครับทําบุญจากการถวายเงินกับนักสมาธิภาวนานั้นได้บุญทั้งคู่แต่อันไหนได้ผลบุญมากกว่ากันครับมันบุญบุญบุคนละอย่างคือผลบุญคือความสุขใจนี่ความนั่งสมาธิมันได้มากกว่าแต่มันยากกว่าการการทําบุญเสียสละเงินทองเสียสละเงินทองนี้ได้แบบปุ๊บปั๊บเลยเรามีเงินปั๊บเราไปทําบุญปั๊บเราก็มีความสุขใจทันที แต่นั่งสมาธินี้อาจจะนั่งอีกสิปีก็อาจยังไม่สงบก็ได้เราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราทําบุญแบบไหนได้ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเราได้บุญเยอะก็เลยกิเลกก็เลยหลอกว่าอย่าทําทานดีกว่าเพราะเสียดายเงินอย่างนี้ก็การกิเลก ข, ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งเงินก็ไม่สงบเพราะใจก็มากังวลกับเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองอยู่นั่นการทําบุญทํา ทำท ำ, ทำบุญด้วยการสละเงินนี้เพื่อเพื่อกำจัดความความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยถ้าเราสละเงินได้ต่อไปเวลาเราเสียเราก็ไม่กังวลกับมันมากแต่ถ้าเราหวงเงินแล้วเราไม่ยอมทำบุญแบบนี้ไปทำบุญแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ไม่ไม่สงบอยู่ดีเพราะมันจะมากังวลกับเรื่องเงินยังต้องทาบุญจากการสละเงินก่อนเราถึงจะสามารถไปทาบุญจากการรักษาศีลได้ แล้วจากรักษาศีลได้มันถึงจะสามารถไปทําบุญจากการภาวนานั่งสมาธิได้ถ้าใจเรายังไม่ใจกว้างไม่เป็นบุญไม่เป็นไม่เสียสละนี่นั่งสมาธิไม่มีวันสงบถ้าใจเรายังรักษาศีลไม่ได้สงบไม่ได้หรอกอยังมันต้องทําบุญจากขั้นต่ําไ้นไปหาขั้นสูงเหมือนกับการเรียนหนังสือจากระดับประถมไปสู่ระดับมัธยมจากระดับมัธยมค่อยไปสู่ระดับอุดมศึกษา การนั่งสมาธินี่มันเป็นระดับอุดมศึกษาเราอยู่เราเพิ่งก็เข้าโรงเรียนเราจะไปอยู่อุดมศึกษาเลยไม่ได้หรอกเราก็ต้องเข้าอยู่ชั้นประถมก่อนจบชั้นประถมแล้วเราก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมอย่างมัธยมแล้วเราก็ก้าวสู่ชั้นอุดมศึกษาต่อไปอย่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าการที่เราจะนั่งสมาธินี่เรายังหวงเงินหรือเปล่าเรายังตะหนียังขี้เหียวอยู่หรือเปล่า ถ้ายังที่เหนียวอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถทำบุญขั้นต่ำได้เราจะไปทำบุญขั้นสูงได้อย่างไรเรารักษาศีลห้าได้หรือยังรักษาศีลแปดได้หรือยังถ้ายัางก็อย่าไปนั่งภาวนาเลยนั่งไงก็ไม่สงบหรอกมันต้องดูกำลังของเราด้วยกลับแล้วเหรออ่าโอ้ธนาเนะนาะกำลังว่างๆก็มาได้นะนาาก็มีปนระชุมอย่ า, างนาีนะ้นาานทุกวันนะ ใครอยากจะอยู่ก็อยู่นะใครอยากจะไปก็ไปไม่ได้บังคับคำถามเจ้คุณพรพันนะครับถ้าถือศีลแอยู่กับบ้านเราฟังธรรมะได้หรือเปล่าคะเรื่องการฟังธรรมะมันไม่เกี่ยวกับการมีศีลไม่มีศีลคือถ้ามีศีลมันฟังธรรมะแล้วมันจะได้ได้ได้ประโยชน์มากกว่าไม่มีศีลก็ว่ามีศีลในขณะนั่งฟังธรรมก็คือกายวาจาต้องนิ่งเข้าใจไหม ไม่พูดไม่คุยกันร่างกายไม่ทําไม่เคลื่อนไหวนั่งเฉยเฉยอย่างเงี้ยเรียกว่ามีศีลในขณะที่ฟังเทศแล้วก็ต้องมีสมาธิคือใจก็ต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจต้องอยู่กับเรื่องธรรมที่เราฟังอยู่เพลงเรื่องเดียวอันนี้เรียกว่าฟังด้วยศีลสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาจากการฟังธรรม ถ้าเรานั่งแล้วถ้าเราฟังธรรมแล้วเราไปทํากับข้าวกับปลาล้างถ้วยล้างชามเนี่ยบางคนก็เป็นแม่บ้านก็บอกว่าอยู่บ้านก็ทํางานในบ้านก็เปิดธรรมะฟังไปอันนี้มันจะได้ไม่เต็มร้อยได้บ้างแต่ไม่เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมตลอดเวลาเราอยู่ปับป๊บหนึ่งฟังปั๊บนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาที่งานที่เรากาลังทําอยู่ล้างถ้วยล้างชา ม, มก็ต้องกลับมาดูที่ถ้วยชาม พอเราดูถ้วยชามธรรมะที่กําลังแสดงก็จะไหลเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่เข้าไปในใจมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยนี้ต้องกายวาจาใจต้องนิ่งต้องสงบไม่ทําอะไรเพฉะนั้นถ้าเราอยากจะฟังแล้วได้ประโยชน์เต็มร้อยก็ต้องไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรคําถามจากคุณพรพันธ์นะครับ เราจะตัดใจจากความสุขชั่วคราวนั้นเราจะทำอย่างไรให้ใจรู้ว่าชั่วคราวไม่มีตัวตนแต่เราตัดไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีสติที่จะหยุดความอยากของเราพออยากจะได้ดูหนังอยากจะดื่มกาแฟนี่มันก็ทนไม่ไหวก็ไปดื่มทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันมปนความสุขชั่วคราวดื่มปั๊บเดียวๆความสุขนั้นก็หมดไปแล้วความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมา ดังนั้นเราต้องฝึกสติสร้างสติเวลาเกิดความอยากก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าเราทำได้ต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดกํำลังไปถ้าเราไม่มีสติแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้นั่งไปมันก็คิดแต่เรื่องกาแ ฟ, แฟอยู่นั่นเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวมันก็ลุกขึ้นไปดื่มจนได้แต่ถ้าเรามีสติให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปได้มันก็ลืมเรื่องกาแฟได้พอลืมเรื่องกาแฟใจก็ไม่ไม่เครียดไม่ทุกข์กับมันใจก็สงบ แล้วกำลังของความอยากก็จะเบาลงไปทุกครั้งอยากก็ทำแบบนี้ไปต่อไปมันก็หมดกำลังไปครับคำถามจากคุณจรัญญานะครับอุบายลดตัญหาหรือความอยากใช้พิจารณาความตายหรือมรณา น, านุสติได้หรือเปล่าครับได้เพีแต่ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าสำหรับบางคนมันพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่กลัวบางคนมาบอกว่าไม่กลัวเอดิดกลัวอดไม่ <laughs> ั้งที่รู้ว่าติดเอ็นแล้วตายแต่มันกลัวอดมากกว่าเพราะอดมันทุกข์กว่าก็เลยบางคนไม่กลัวตายหรอกบอกให้มันตายให้มันเลิกกินเหล้า ก, กับความตายมันจะเลือกอะไร ก, กูขอกินไปก่อนความตายมันยังอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้กินเหล้านี้มันเกิดเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมไอบางทีคิดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลถ้าใจเป็นใจแบบดื้อด้าน มันก็ต้องใช้สติตัวเดียวหยุดมันตัวเดียวอย่าไปคิดให้เสียเวลาพุทโธพุทโธไปจับมันไปนั่งสมาธิให้ได้อย่างนี้มันก็จะหยุดได้ถ้าจะไปคิดด้วยปัญญาบางทีมันไม่มันไม่เชื่อความตายมันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ความทุกข์มันเกิดเดี๋ยวนี้มันอยากจะดับความทุกข์เดี๋ยวนี้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากคาถามจากคุณจูนนะครับเวลาเจอพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธ จะมีความคิดลบรูแบบอยากพายในทางไม่ดีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดรู้สึกกลัวบาปทำให้ไม่กล้าไปทำบุญไม่อยากให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเลยค่ะบางทีอยากจะไปวัดก็ไม่กล้าควรทำอย่างไรดีเพราใจเรามันใฝ่ต่ำาฝ่ใจเรามันชอบทำบาปพอมันคิดถึงพระคิดถึงเรื่องที่ดีมันก็จะมันก็จะไม่ชอบ นวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปคิดมันเวลามันคิดก็หยุดมันใช้พุโทโธหยุดมันใช้สติหยุดมันแล้วความคิดนั้นก็จะค่อยๆหายไปเองเลยท่านที่สองก็คิดด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้าท่านไม่ดีตรงไหนทำไมต้องไปลบหลู่ท่านท่านเป็นคนที่ไม่เหลียดเบียนใครไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครท่านมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณามุนิตาอุเบกขา ท่านให้ความสุขแก่ผู้อื่นท่าไม่มีโทษมีภัยกับใครทาไมจะไปลบหลู่ไปรังเกียจท่านทําไมคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็จะแก้ความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าคิดไม่ได้ก็หยุดคิดไปก่อนพอจะลบหลู่ก็พุโทโธพุโทโธไปเลยถ้าพุโทโธไม่ชอบพุโทโธเพรลบหลู่พุโทโธก็ใช้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปทักพันหนึ่ง เดี๋ยวมันก็ลืมมันก็มันก็ไม่ได้มันก็จะได้ไม่ลบหลู่คาถามจากคุณสมพรนะครับการพูดสอนผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยจิตเมตตาเป็นโทษหรือไม่เจ้าคะมันไม่ถูกกาลเทศะมันไม่มไม่มไม่ใช่ฐานะของผู้น้อยที่จะไปสอนผู้ใหญ่นอกจากผู้ใหญ่มาขอขอรับการสอนถึงจะสอนได้เพราะผู้ใหญ่ตามหลักของของโลกเขาถือว่าผู้ผู้ ผู้ใหญ่นี่ย่อมมีความรู้มากกว่าผู้น้อยเช่นไปสอนพ่อพรสอนแม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็จะว่า ก, กูเลี้ยงมึงมาได้มึงไม่ต้องมาสอนกูหรอก <c oughs> แต่ถ้าพ่อแม่ยอมรับว่าลูกฉลาดกับพ่อแม่แล้วอยากจะให้ลูกช่วยสอนนี่ก็ต้องให้พ่อแม่พูดก่อนว่าเอ้ยทําไงวะมีปัญห า, านี้ไว้ช่วยหน่อยไว้ยถ้าพ่อพูดอย่างนี้ก็อาสาไปเลยทํานี้สิครับทําอย่างงู้นสิครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาบอกเพราะทําอย่างงู้นทํางี้สินี่ไม่ถูกเดีย๋ยวจะถูกเตะเอาคนะาถามจากคุณไพรณีนะครับความเชื่อที่ว่าวิญญาณที่ตายใหม่ๆจะมาปรากฏให้ลูกหลานเห็นตามปีที่ผู้ตายเกิดเช่นปีงูก็จะเลื้อยเข้าบ้านเหมือนมาลาลูกหลานเป็นไปได้ไหมเจ้าคะก็เป็นความเชื่อเท่านั้นแหละมันไม่ได้เป็นความจริงไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ล่ะดวงจิตดวงวิญญาณจะไปกําหนดตัวเองให้เป็นงูเป็นอะไรได้ให่ไหนใช่ไหมเวลาทําแล้ววิบากมันจะเป็นตัวกําหนดเองว่าจะให้ไปเป็นอะไรอ่จาจะคุณหนุ่ยนะครับที่พระอาจารย์บอกเรื่องการทําบุญด้วยทรัพย์ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับอ้าวคุณมีร้อยบาทคุณซื้อเสื้อได้กี่ตัวนะใช่ไหม คุมีพันบาทคุณซื้อเสื้อได้มากกว่าร้อยบาทหรือเปล่าทําบุญก็แบบนั้นแหละอทําบุญสิบาทกับทาบุญร้อยบาทอัไหนมันจะมีความสุขใจก่อนกันคุณลองสังเกต ด, ดูเลยเวลาคุณทําบุญสิบาทกับคุณทําบุญพันบาทเนี่ยคุณรู้สึกยังไงถ้าทาํากันง่ายงั้นก็ทำสิบบาทไปเลยไม่ต้องมท 1, าทําให้พันบาทให้มันเสียเสียเงินเสียทองไปเปล่า คำถามเจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะครับเวลาคนตายด้วยอุบัติเหตุแล้วมีการนิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณคนตายที่นั่นจําเป็นหรือไม่อย่างไรคะไม่ต้องไปเชิญหรอกเขไปไหนแล้วก็ไม่รู้พ <c oughs> อตายพวกมันก็ไปแล้วเหลือแต่ซากร่างกายเหลือแต่ซากอยู่ไปเชิญร่างกายไปสู่วัดจะถูกแล้วแหละพาร่างกายไปไปเผาซะแต่ดวงวิญญาณเชิญก็ไม่ได้แล้วบุญกระบาบเป็นตัวหนึ่งไปแล้ว เวลาเราตายเนี่ยบุญกับบาสมันจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราบาสมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็ดึงไปเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นที่เกิดของผู้ที่บุญกับบาปมีกําลังเท่ากันคําถามทุคุณสุพรรณนีนะครับลูกตั้งสัจจะในใจว่าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง ขณะ ก, กำลังนั่งสมาธิลูกชายเรียกให้ช่วยสอนการบ้านจึงต้องออกจากสมาธิแล้วรู้สึกเสียใจว่าเราทําตามสัจจะไม่ได้มีวิตกในใจลูกปฏิบัติตึงเกินไปไหมครับก็ต้องดูสถานภาพของเราว่าเราสามารถที่จะรักษาสัจจะได้หรือไม่ก่อนที่เราจะไปตั้งสัจจะเหมือนกันเราให้คำมั่นสัญญากับใครนี้เราต้องดูว่าเราสามารถที่จะทําตามคำมั่นสัญญาได้หรือเปล่า เช่นไปกู้เงินเขา้าระบบอยากคืนภายในสองอาทิตย์นี้แล้วพอถึงเวลาก็ไม่สามารถคืนให้เขาได้ก็อย่าไปกําหนดสองอาทิตย์เลยกําหนดตามเวลาที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะคืนเขาได้บางทีอยากจะได้เงินเข้าไงก็เลยไปหลอกเขาว่าเดี๋ยวสองสวันก็ามาคืนละที่ไหนได้สองสเดือนนยังไม่มาเลยอย่างนี้ก็เป็นการเสียสัจจะเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิถ้าเรามีภาระอย่างอื่นแล้วเราไปตั้งสัจจะไว้ เรานั่งไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจพิจารว่าเราตั้งเผื่อไว้ก็แล้วกันเผื่อไม่มีอะไรมารบกวนใจเราเราก็จะนั่งใหเราก็ตั้งศัจษะแบบมีวงเล็บหน่อยสิจะขอนั่งหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าลูกมีปัญหามารบกวนนี้ก็ขอขอเลิกไปก่อนมาทําหน้าที่ให้กับลูกอย่างนี้ก็ตั้งได้เราไม่จาเป็นจะต้องตั้งแบบตึงเป๊ะไปเลยใช่ไหมตั้งแล้วก็มีข้อแม้ได้พระพุทธเจ้าเวลานั่งใต้ดตโพก็มีข้อแม้เหมือนกัน จะนั่งจนกว่าจะตัดสั้นถึงแม้เลือดจะแห้งไปจากร่างกายก็จะไม่ลุกอันนี้ท่านตั้งท่านตั้งแบบเต็มที่เลยอันนี้มีคือตายไปก็ไม่ถ้าจะเลิกก็ตอนที่ตายเท่านั้นถึงจะเลิกนั่งเพราะเวลาตายแล้วมันก็นั่งไม่ได้แนะควคำถามจากคุณพุทธรักษานะครับนิมิตกับสัญญาความแตกต่างกันอย่างไร คือเกิดวาชีนะด้วยค่ะนิมิตก็คือภาพในใจเราเนี่ยเวลานอนหลับฝันนี่ก็เป็นนิมิตอย่างนี้กานั่งสมาธิเราเห็นโครงกระดูกเห็นเห็นอะไรนี้ก็เรียกว่านิมิตส่วนสัญญานี่ก็คือความจำเช่นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแฟนคิดถึงลูกนี่ก็เรียกว่าเป็นความจําคําถามจากคุณวันนิดานะครับขณะเดินจง ก, งกรมกําหนดยืนหลับตารู้สึกมีเงาไหลายเงามายืนข้าง มองหน้าเห็นซ้ำๆอยู่2องวันและนั่งสมาธิมีผู้หญิงอุ้มลูกแวบเข้ามาในสมาธิ3ามครั้งครบกำหนดเวลาถอนสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเจ้าค่ะไม่ทราบว่าภาพหรือแนวที่มาปรากฏคืออะไรเจ้าครับก็นิมิตอย่งนีก็นิมิตที่ปรากฏขึ้นมาเวลานั่งสมาธิจริงๆแล้วไม่ควรไปสนใจกับนิมิตควรสนใจอ ย, อยู่กับทาบริการพุโทโธพุโทโธเลอยู่กับลมหายใจเข้า ถ้าเราไม่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจนี่เดี๋ยวนิมิตเปันจะโผลขึ้นมาแต่ถ้าเรามีพุโทโธมีสติอยู่นี่มันจะไม่โผลโผลแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันไม่ได้ทำให้ใจสงบเราต้องการความสงบความสงบจะเกิดจากการมีสติควบคุมใจพอไม่มีสติควบคุมใจมันก็จะมีนิมิตอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็เป็นนิมิตที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมบางทีใจเรา แต่งขึ้นมาเองคำถามชี่คุณปราณีนะครับนั่งสมาธิแล้วเห็นกายและไม่ส่งจิตออกนอกอันนี้คือคณิกะสมาธิหรือเปล่าคะถ้าใจยังไม่ไม่สงบก็ยังไม่เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ยังเห็นหนูน่นเห็นนี่อยู่ก็ยังไม่สงบใจจะสงบต้องว่างไม่เห็นอะไรแล้วนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่ง เหลแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบถ้าสงบเดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณิกะถ้าขนมถ้าสงบนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิจะคุณหนุ่ยอีกครั้งนะครับไม่ใช่คนรวยไม่สามารถทําบุญทีละเป็นล้านทําได้หลักร้อยกุศลแตกต่างกันด้วยเหรอครับอ่าแน่นอนคุณทำร้อยค่าหน้ากลับมาคุณก็ได้ร้อยหรือคุณด้วยสิทธิ คุณทำล้านคุณก็กลับมาคุณก็ได้ล้านคุณด้วยสิบอย่างนี้คนทำร้อยล้านก็ขาดทุนเลซึคนทำร้อยร้อยบาทไม่ได้มันมีความแตกต่างอั น, น, นในทางผลประโยชน์ตอบแทนแต่ในทางความรู้สึกทางใจนี้อาจจะมากกว่าเสีอด้วยซ้ําไปคนที่มีร้อยหนึ่งทําอาจจะได้ความสุขใจมากกว่าคนที่ทําล้า น, นเพราะอะไรถ้าเกิดเขามีร้อยหนึ่งแล้วก็ทําทั้งร้อยหนึ่งเนี่ยเขาทำหมดหมดเนื้อหมดตัวเลยเนี่ย เขาจะมีความสุขกับคนที่มีร้อยล้านแล้วทําล้านหนึ่งพราะคนที่ทำร้อยล้านทําล้านหนึ่งก็ยังเหลือเก้าสิบเก้าล้านก็ยังไม่เดือดร้อนเนี่ความความเดือดร้อนสะเทือนใจไม่มากเหมือนกับคนที่ทําทั้งร้อยบาทคนนั้นถ้าความสุขทางใจเนี่ยคนที่ทำร้อยบาทกลับจะได้ความสุขทางใจมากกว่าคนที่ทําล้านบาทมันขึ้นอยู่กับเงินทองที่เขามีอยู่ว่าเขาสละไปเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่แล ออันนี้เราไม่ดูจำนวนเงินแล้วเราจะเร า, เราดูจำนวนร้อยละเท่าไหร่ถ้าเราทำร้อยทั้งร้อยเนี่ยแสดงว่าเราทำหมดเต็มที่แล้วเราก็จะได้ความสุขเต็มเต็มร้อยแต่ถ้าเราทำร้อยละสิบเนี่ยรร้ อ, ลอยละหนึ่งร้อยละหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เพียงแค่นั้นเองความสุขใจมันจะไม่ได้เต็มร้อยอันนี้ต่างกันเ้าใจไม่เปรียบเหมือนกับหนูกับช้างเนี่ยอะ หนไมันกินข้าวสักช้อนหนึ่งก็มันก็อิ่มท้องแล้วใช่แต่ช้างให้มันกินข้าวช้อนเดียวมันอิ่มมมันต้องกินสักกระสอบหนึ่งเนียมันถึงจะอิ่มอนั้นก็ขึ้นอยู่แบบเนี้ยคนที่มีกำลังกลังทรัพย์มากอยากจะมีความสุขใจจากการทำบุญมากก็ต้องทำมากคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยก็ทําน้อยก็ได้ความสุขใจเหมือนกับคนที่ทำมากได้หรืออาจจะได้มากกว่าได้ซ้าแป ถ้าทำร้อยละร้อยละเท่าไหร่จากของทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่อันนี้ต่างกันมีสองแบบแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาในชาติหน้านี้ทำมากก็ต้องได้กลับม า, มากเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพระเวชสันดรเ น, นี่ยทำมากพอกลับมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่ก็เห็นบางคนที่มีเงินมากแต่ก็บรรยายังไม่อยมีเท่าไหร่อยอยนี้ต้องทำยังไงครับพเจ้า คือก า, การมีเงินนี้มันอาจจะไม่ได้มาจากการทําบุญก็ได้เกิดมาชาตินี้ฉลาดรู้จักวิธีหาเงินหาทองก็ร่ํารวยได้หรือโกงก็ร่ารวยได้เหมือนกันั้นวิธีที่จะมีทรัพย์นี่มันมีได้หลายวิธีไม่ใช่จากการทําบุญเพียงอย่างเดียวจากการทําบุญก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรมันมาเองเหมือนส้มหล่นเงี้ยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเงี้ยหรือว่ามาอยู่เฉยๆทำ ธุรกิจรายเงินทองก็ไหลมาเทมาอย่างง่ายดายรวดเร็วอันนี้มันเป็นเรื่องของของบุญเก่าแต่เรื่องของบุญใหม่ก็คือปัญญานี่ต้องใช้อยากจะร่ำรวยก็คิดหาวิธีทำไงให้รวยก็ไปทำอาจจะไปผลิตสินค้าอะไรสักชิ้นอย่างที่ไม่มีคนผลิตอย่าง m i c r o s o f t ์เนี่ยเขผลิตซอฟต์แวร์ไม่มีใครผลิตเราก็ผลิตคนเดียวขายคนเดียวขายได้ทั่วโลก เขาก็เลยเป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกไปอันนี้เกิดจากจังหวะจากปัญญาของเขาที่เขามองเห็นตลาดมองเห็นวิเห็นช่องทางที่จะทำเงินทาทองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบุญเก่าของเขาก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวก็ไม่รู้อาจจะมีส่วนก็ไม่รู้อันนี้ก็พูดไม่ได้เราไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะมาวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นก็เพียงแต่ตพูดให้ฟังคร่าวๆอย่างเงี้ย คนอาจจะชาติกานจะไม่เคยทำบุญมาแต่ก็ยังสามารถรวยได้ถ้ามีความขยันมีหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองประหยัดมัธยัติไม่ใช้จ่ายฟุ่มฟเฟือยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวยขึ้นมาได้เพราะนั้นวิธีรวยมันมันมันรวยได้หลายวิธีด้วยกันไม่ใช่รวยจากการทำบุญเพียง อ, อย่างเดียวคำถามจากคุณปรีชานะครับอ่า เวลานั่งสมาธิรู้สึกร่างกายมันบีบรัดเข้าจนแน่นไปหมดควรแก้อย่างไรครับอย่าไปสนใจมันเป็นกิเลสมันหลอกเราเวลาเที่ยวนี้มันไม่รู้สึกบีบรัดเลยเวลานั่งดูหนังฟังเพลงนี่มันไม่บีบรัดอะแต่พอมานั่งสมาธิมันจะรู้สึกบีบรัดกิเลสมันออกฤทธิ่ไงเราจะไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นอาการเป็นมายาเป็นภาพลวงไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆพอใจสงบแล้วเดี๋ยวมันหายไปหมด